ฉันขอโทษที่ไม่เจี่ยมหัวใจ จะห่างกันไว้ เจอไกลไม่สนพร้อมสู้ทน จะห่าง ก, กันไว้บางงานไปรักคนอย่างเธอก็มอส่งแล้วที่ปวดใจฉันมันคนต่อยตามเกินไปจึงไม่มีสิทธิ์จะฝันบังงานไปรักด้วยไม่ดูไม่ยอมรับรู้ ไปรักคนอย่างเธอผมเหมาะสมแล้วที่ปวใจ ใจมันไม่พอใช่ไหม